ก็ได้พูดแต่ว่าชาวพุทธเราเนี่ยควรจะพึ่งความเป็นของตัวมากกว่าพึ่งโชคหรือว่าหวังลาบลอยคอยโชคมันพูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความว่าพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อเรื่องโชคพุทธศาสนาก็เชื่อในเรื่องโชคเหมือนกันเพียงแต่ว่าเห็นว่าโชคเนี่ยนะมันไม่หนีที่ว่าการโดนบันไดของใครมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลิกผานาที หรือ่าดวงดาวมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าคนที่ทําความเพียรมันรู้มันสังเกตหรือว่ามันพิจารณาก็จะประสบพบโชคได้ไม่ยากอย่างนักวิทยาศาสตร์หรือนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอดิสันหรือไอน์สไตน์เนี่ยคนนี้ก็เป็นคนเก่งนะบางคนก็บอกว่าไอน์สไตน์นี่นะสําเร็จได้เพราะโชคเ พ, เพราะอัจฉริยะ อัจฉริยะนี่เหมือนกับโชคนะคือมันมาแต่กําเนิดแต่ไอสการ์บอกว่าความอัจฉริยะมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตท่านั้นแหละของความสําเร็จอีกเกสิเกปอร์ซ็นี่ยเป็นเรื่องของความเพียรพ ย, ยายามทั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าเรามีความเพียรรวมทั้งใฝ่รู้รู้จักมองโชคก็จะมังเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอที่จริงเนี่ยโชคนี่มือความสุขนะ คือมันมีอยู่รอบตัวเราเดินธรรมญาติราเนี่ยหลายคนจะบน่นอาจจะรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยความทุกข์ความ ย, ยากลําบากนะแต่ก็เคยพูดไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยความสุขหรือความสวยงามนะที่มันจะทําให้เกิดความรู้สึกดีก็มีอยู่ตลอดทางถึงแม้แต่จะร้อนทางจากไกลถนนจะวิบากเนะี่ยแต่ก็จะมีดอกไม้อยู่สองข้างทางหรือถ้ามอง เงยหน้ามองฟ้าก็จะเห็นความสวยงามฟ้าสีครามเมฆเป็นริ้วนะจับกลุ่มกันเป็นภาพที่สวยงามนะหรือเป็นปุ ย, ยลอยระล่องดั้ถ้าเรามองนะเราก็จุรูสึกว่าเออมันความสุขดีๆจะเห็นหรือไม่อยู่ที่ใจเรานะความสุขจะพบหรือไม่มันก็อยู่ที่มุมมองของเราด้วยรวมทั้งขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเอง เหมือนกับมงคลค น, นนะนะมงคลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใครๆอยากจะได้อยากจะพบกับสิริมงคลแต่มงคลนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ใครจะดุดนบรรดาให้ได้อันนี้ในมุมมองของพุทธศาสนานะมงคลที่แท้ที่สูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเรามงคลคนสามจุดแปดเนี่ยนะถ้าเราอ่านดนะูตั้งแต่ข้อแรกเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องการกระทา เช่นการให้ข้อคนชั่วข้อที่สองการข้อคนณดีข้อที่สามการบูชาคนที่ควรบูชาข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดส่วนวัตถุมงคล น, นี่มันเป็นเรื่องรองไม่ใช่สิ่งที่จะให้สริยมงคลอย่างแท้จริงใครจะให้กับเรามันก็ยังไม่ใช่มงคลที่แท้จริงแม้จะเป็นน้ำมนต์หรือน้ำหมากนะจะ๊าวเกตีอาจายก็ตาม สีมงคลชื่อมงคลดอกไม้มงคลอันนี้มันก็ยังไม่ใช่ของแท้นะมากมากกว่ามงคลที่เกิดจากการกระทำของเราโชคก็เหมือนกันนะจะไปหวังรอบลอยคอยโชคเนี่ยมันมันสู้การกระทำของเราเองไม่ได้ถ้าเรารู้จักมองนะรู้จักพิจารณาแนละก็จะพบประสบโชคอยู่ทุกเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งนะชื่อสมไทย พ่อแม่ก็อยากจนเรียนจบมสามก็ต้องออกไปทำงานช่วยพ่อแม่ความรู้ก็ไม่มากนะพ อ, อไปช่วยพ่อแม่ขายลอตเตอรี่ขายหนังสือพิมพ์ขายของเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ยังเล็กก็ไม่ได้เท่าไหร่นะพอโตขึ้นก็ อ, อยากจะค้าขายอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั้นก็ ขอยืมรถกระบะของญาติแล้วก็ซื้อสินค้าตรเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆแกเป็นคนชนบทนะคนภาคกลางแถวเนี่พิษนุโลกเอาเสื้อผ้าไปขายเอายาไปขายตามหมู่บ้านรายได้ก็ไม่ค่อยดีเก็เรียกว่าปากกัดตินทีก็ทําอยู่นานนะเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนสินค้าตัวแล้วตัวเล่าก็ยัง ก็ยังยากจนอยู่ยิ่งมีครอบครัวแล้วเนี่ยก็ยิ่งต้องต้องดิ้นรนมากขึ้นวันนึงเข้าไปในเมืองวิสุโลกนะก็ถือโอกาสไปกราบพระพุทธชินราชแล้วก็ขอพรขอให้ประสบโชคเสร็จแล้วก็ไปทํางานต่อขายของก็วันนั้นก็ขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่แดดร้อนด้วยก็เหนื่อยเลยนั่งพักตอนที่นั่งพักเนี่ยก็มีรถสารเร่งอ่ ผ่านมาแล้วเกิดสนใจขึ้นมาก็าเลยถามว่าซาเล้งเนี่ยนะซึ่งเป็นรถขนขยะของเก่าเนี่ยของที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยนะมันมีราคามากน้อยแค่ไหนทำไมถึงไปเก็บขยะไปขายก็ได้คำตอบว่าเขาก็เก็บขยะเลี้ยงชีพนะจนตั้งส่งรูปไปเรียนหมหาเทยาลัยได้แค่ซารเล้ง น, นะ เขาเลยสนใจก็เลยถามว่าทํำยังไงแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้นะเบนเข็มมาอนะเก็บขยะเก็บของที่เขาใช้แล้วเนี่ยไปขายตอนหลังก็มารีไซเคิลก็กลายเป็นกิจการก็เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งมีบ้านของตัวเองมีโรงเก็บขยะของตัวเองแล้วก็ขยายกระจายทั้งตอนหลังมีสาขาเนี่ย เป็นร้อยแห่งทั่วประเทศยลกิจการก็ขยายใหญ่โตนะจนทั้งแกก็ร่ำรวยก็มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับอาเซียนเลยเพราะว่าโรงรีไซเคิลขยะของคนสมไทยนี่ก็เรียกว่าใหญ่สุดในอาเซียนแต่พวกเราจะเจอเห็นร้านวงพานนิดนั่นแหละนะเป็นกิจการของคนสมไทยแกมีโชคนะ แกไปขอขอโชคนะจากหลวงพ่อพทุทธชินล่าแล้วแกก็เจอในรูปของสารเล้งนะแลคนมักจะคิดว่าโชคนี่มันมาในรูปของอสิ่งสวยงามนะรถดนถูกลัตเตอรี่ได้รางวัลหรือว่าเจ อ, อแจ็คพอตนะได้เงินสิบล้านแต่ถ้ารอมองหาโชคแบบนั้นก็อาจจะไม่เจอทั้งชีวิต แต่ที่จริงโชคก็อาจจะมาในรูปของสิ่งที่ธรรมดามสามัญรถซาเล้งเป็นต้นนะอันี้พอแกช่วงนั้นช่วงขนาดนั้นเนี่ยนะแกฉูกคิดขึ้นมาการที่ใจลอยปล่อยใจลอยหรือนั่งนั่งบนกลนดาชะตากรรมว่าทําไมขยันแล้วก็ยังไม่รวยหรือว่าทําไมจึงต้องมาเจอมันมีชีวิตแบบนี้ถ้าแกเอาแต่คิดแบบนี้เนี่ก็โชคก็คงจะผ่านเลยไป แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะเราเกิดได้สติเกิดฉุกคิดขึ้นมาพราเออซาเล็กนินเก็บขยะได้แท้ทำไมถึงมีรายได้ดีที่ขอโชคจากพระพุทธชนราชนะก็ได้โชคจริงๆนะแต่มันก็ต้องเป็นโชคที่เกิดจากความเพียรพยายามของตัวด้วยอย่างนี้ต่งางหากนะที่ชาวพุทธราคนจะสนใจนะสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นโชคหรือไม่มนอยู่ที่ตัวเรา เมื่อความสุขอ่ะนะมันก็มีอยู่รอบตัวแต่จะเห็นหรือไม่นะอยู่ที่ตัวเราให้ลองสังเกตดูดีๆนะลองพิจารณาดูดีๆมันจะมีสิ่งดีๆอยู่กับเราตลอดเวลาหลายคนไม่รู้สึกนะว่าตัวเองมีโชคแลวเป็นโชคที่อยู่กับเราอยู่ขนาดนี้ด้วยถ้าเรามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วย เคยคิดหรือเปล่าวันนี้คือโชคถึงแม้จะป่วยนะแต่ว่ายังเดินเหินได้ยังมีตามองเห็นยังม่หูได้ยินยังมีปากที่จะพูดสื่อสารสนทนากับลูกหลานคนรักได้เคยคิดหรือเปล่าว่านี้คือโชคถ้าคนเราเนี่ยถ้าว่ารู้จับมองเนี่ยนะก็จะเห็นโชคเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลา หรือว่าผ่านเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยอยู่ทุกเมื่อแม้แต่เวลาประสบเคราะนะ์มีผู้หญิงคนหนึ่งนะทำงานแถวสีลมอายุก็ยังไม่มากนะคงไม่ถึงสามสิบวันหนึ่งเลิกงานทำงานค่ำนะก็เดินกลับบ้านจะขึ้นรถไฟฟ้าก็เลยใช้ทางลัดเข้าไปในซอย แถวซีลมนะมันมีก็ก็คงมีซอยเปลี่ยวนะซอยมืดนะมันก็คงไม่มืดมากจูๆก็มีมอเตอร์ไซค์นี่นะเล่นผ่านมาแล้วก็มาดึงกระเป๋าเธอสะพายกระเป๋าแบบสะพายเฉียงกันนะนะพอมอเตอร์ไซค์ดึงกระเป๋านะีมันก็เลยดึงตัวเธอนะให้ให้เสียหลักนะ แล้วก็หัวเนี่ยไปกระแทกกับพื้นสลบไปเลยเพราะว่าเลือดเนี่ยไปข้างที่สมองจมูกก็เลือดไหลตอนนั้นไม่รู้สึกตัวมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแนละ้วหมอผ่าตัดเรียบร้อยแนละ้วผ่าสมองอาการเธอนี่ปางตายนะแต่ว่าเธอกลับมองว่าเธอโชคดีโชคดีที่วันนั้นเนี่ย ติดบัตรพนักงานยามที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคนเหตุการณ์ก็เลยรู้ว่าเธอชื่ออะไรพอไปส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เช็คว่าอมีประกันสังคมไหมมีประกันสังคมที่ไหนก็เลยพาไปที่เกษม ร, ราชเพราะทาประกันสังคมที่นั่นเธอบอกเธอโชคดีที่โทรศัพท์ติดอยู่กับตัว คนก็เลยเอาโทรศัพท์นี่ไปให้เจ้านายก็โชคดีที่เจ้านายกําลังประชุมอยู่ยังไม่กลับบ้านพอเจ้านายรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบไปเยี่ยมเธอทันทีแล้วก็ส่งข่าวโทรศัพท์ไปบอกพ่อแต่โชคดีที่มีหมอที่เรียกว่าก็เธอใช้ว่าหมอหลอดใจดีหมอถูกเรียกตัวมาเปนวัอยากก่างกะทันหนันหมอก็มาทันที แต่ทั้ที่ยังไม่เจอญาติเนี่ยหมอก็ตัดสินใจผ่าสมองเจ้าหน้าที่รู้ดีว่าถ้าหากว่าไม่มีญาติและค่าใช้จ่ายค่าผ่าตัดเนี่ยมันมากกว่าเงินประกันสังคมเนี่ยหมอก็ต้องจ่ายเองแต่หมอก็ตัดสินใจผ่าเพราะเห็นว่าชีวิตของคนไข้สําคัญกว่าเงินทันทีเลยและเธอก็โชคดีที่ว่าเนี่ย อาการเธอเนี่ยถ้ามันก็มีทางเลือกอยู่สี่อย่างคือหนึ่งตายสองเป็นผักสามพิการอมาะพฤกษ์อมภาพาเพราะมันกระทบสมองมากหรือสี่ก็ฟื้นตัวได้หายเป็นปกติเธอโชคดีที่อยู่ในข้อที่สี่คือไม่ตายไม่เป็นผักแล้วก็ไม่ออมาพาพเธอโชคดีที่ ได้กลับมาเป็นเด็กน้อยๆอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งพ่อป่วยเนี่ยเธอโชคดีที่ไม่ต้องทำงานสามเดือนนะหยุดงานพักฟื้นเธอบอกว่าเธอโชคดีที่โอมีเพื่อนมาเยี่ยมมาหาเยอะมากไม่เหงาเลยนะของเล่นตัวต่อคอลเลกชันอะไรต่างๆก็ได้มาจากอุบัติเหตุครั้งนี้แหละโชคดีเธอโชคดีที่ แต่ก่อนนี้ไม่ค่อยได้กินรังนกซุกไก่นะพอป่วยแล้วนะี่โอมีกินเพียบเลยกลับบ้านแล้วก็ยังมีกินอีกเป็นเดือนนะเธอโชคดีที่ได้มีโอกาสฝึกนะฝึกได้มีเวลาที่จะฝึกวาดรูปจากคอมพิวเตอร์ก็เลยทำให้มีรายได้พิเศษนะเพราะว่าเธอออกแบบสติกเกอร์ลนยนะก็มีรายได้แล้วก็มีทักษะเพิ่มขึ้นมาอีกอย่าง เธอก็พนันนะว่าเธอมีโชคนะมากมายจากเหตุการณ์ครั้งนีนะ้ประมาณสิบห้าสิบห้าอย่างมันเป็นโชคที่เกิดจากเคราะห์นะถ้าเป็นโชคที่เกิดจากมุมมองของเธอถ้าว่าเธอเป็นคนมองลบนะมองเห็นแต่แ ง, ง่ร้ายเนี่ยเธอก็คงคิดว่าเธอโชคร้าย อุตสาห์ทำบุญทำความดีมาทำไมต้องมาเจอแบบนี้แต่พอรู้จักมองมองเป็นเนี่ยมันก็เห็นโชคเกิดขึ้นกับตัวเธอมากมายทั้งๆ ท, ที่ประสบอุบัติเหตุซึ่งก็ถือว่าเจอเคราะห์ทั่งตัวเราเนี่ยนะมุมมองเราเนี่ยก็สามารถจะเปลี่ยนนอกจากจะมองเห็นโชคได้ตลอดเวลา ยังสามารถเปลี่ยนคล้อยเป็นโชคได้ด้วยแ ต, แต่ว่าคนมักจะไม่ค่อยมองเห็นโชคนะไม่ค่อยรู้จักโชคในในแง่ในแง่นี้ในมุมนี้เท่าไหร่มักจะรอแต่ให้มีคนมาดนบันดาลให้รอห้อยโชคมาหานะจึงเกิดขั้นนิยมพฤติกรรมหวังลาบลอยคอยโชคที่จริงโชคก็มานะ แต่เนื่องจากไม่รู้จักโชคก็เลยคิดว่าโชคจะต้องมาในรูปของลอตเตอรี่ถูกระวันที่หนึ่งนะหรือว่าได้รับรางวัลหรือว่าเจอคนถูกใจเจอคนรักนะมีแฟนรอหรือแฟนสวยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าโชคก็พกคอยแบบนี้นะจึงจึงไม่เจอสักทีหรือถึงเจอนะ ก็อาจจะกลายเป็นคราะไปได้ในที่สุดเมื่อสิบปีก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งแกเป็นพ่อค้าเร่คล้ายๆกับสมไทยเนี่ยสมัยที่ยังยังยังหนุ่มอยู่แต่พ่อค้าเร่คนนี้แกก็มีอายุแล้วสี่สิบได้กระถุลัตเตอรี่รวันที่หนึ่งหลายใบด้วยได้เงินยี่สิบล้านขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยหนึ่งเดือนผ่านไปแกก็ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอีก กันนี้บอกเนี่ยพ่อค่าเล่ถูกลอตเตอรี่ยี่สิบล้านซดยาพิษฆ่าตัวตายใงที่แกถูกลอตเตอรี่เนี่ยก็มีใครต่อใครเนี่ยมาลุมล้อมนะมาขอความช่วยเหลือลจับกแกมอนก็อ้างว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติแกก็ให้นะแต่ว่าบางคนก็ไม่พอใจเพราะหวังมากแต่ได้น้อย เช่นอาจจะหวังแสนนะแต่ได้แค่หมื่นที่จึงหมื่นนี่มันเยอะนะแต่ว่าคนได้ก็ไม่พอใจเพระหวังมากบางคนก็มาโทรสามาคุค่าแกและลูกสาวแกทำใจไม่ได้นะคเครียดมากแกก็เลยเอาน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยกรอกใส่ปากแต่โชคดีที่ลูกสาวเห็นทัน พาส่งโรงพยบาลล้างท้องได้ทันเวลาผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์แกก็ผู้ประโยชน์หนึ่งว่าตอนเป็นพ่อค้าเร่เนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนตอนเป็นพ่อค้าเร่หาเชากินขําเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนตอนนั้นเนี่ยยากจนนะจะเป็นกเกษียนนะแต่มีความสุข อันนี้ก็เป็นแง่คิดว่าสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองนะแม้มีโชคมีลาบนะมันก็อาจจะกลายเป็นเคราะห์ได้หรือว่าเป็นทุกขลาบขึ้นมาได้ถ้าวางใจไม่ถูกหรือมองไม่เป็นแล้วคนส่วนใหญ่ก็หวังโชคลาบในความหมายนี้แหละก็คือถูกลอตเตอรี่นะหรือมีของดีเข้ามาชนนะแต่ไม่ได ให้ความสำคัญนะกับจิตใจของตนไม่ได้ให้ความสำคัญนะกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราดนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเราเป็นคนที่นะมีความเพียรมีความรู้จักคิดฝ่ยรูนะ้มีสติโชคก็จะเกิดขึ้นเราได้ไม่ยากผู้เจ้าตรัสว่าผู้มีสติ ย่อมโชคดีทุกเมือ่อนะผู้มีสติย่อมโชคดีทุกเมือ่อตอนนี้ถ้าเรามีสตินะเราก็โชคดีแล้วหรอเราก็จะรู้ว่าเราโชคดีแล้วอย่างที่พูดนะการที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพดีอันนี้คือโชคการที่เรายังกินอิ่มนอนอุ่นนะมีคนรักอยู่ใกล้ๆอันนี้ก็คือโชค คนส่วนใหญ่จะมารู้ว่าตัวเองเนี่ยเคยมีโชคก็ตอนที่เจ็บป่วยหรือว่าคนรักนะล้มหายตายจากไปอาการที่เรายังมีตามองเห็นนะมีจมูกได้ยินนะมีร่างกายที่เดินเหินไปไหนมาไหนได้อามีจมูกได้กลิ่นมืหูได้ยินเนี่ยมันก็เป็นโชคแล้วแต่คนส่วนใหญ่มาเห็นรู้ว่าตัวเองเคยมีโชคก็ตอนที่พิการไปแล้วตามบอดไปแล้ว แต่ก็ยังไม่สายนะเพราะถึงแม้จะจะจอเจอเหตุการณ์เหล่านี้นะก็ยังก็ยังเห็นโชคของตัวเพราะมันอยู่ที่มุมมองนะเจออะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเจอสิ่งร้ายมันก็เป็นโชคไดนะ้ถ้าเรามีสติแล้วก็รู้จักมอง มันไปด้วยกันนะสติการรู้จักมองเนี่ยถ้าไม่มีสติมันก็มองไม่เป็นอ่ะมีสติมันก็มองเป็นฉุกคิดได้คนที่มีสติรู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายสักวันหนึ่งเราต้องป่วยสักวันนึงเราต้องพัดพร้าวเนี่ยเขาจะรู้สึกขอบคุณนะที่เขายังไม่เจ็บไม่ป่วยยังมียังไม่สูญเสียของรักคนรักแต่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คิดว่าก็ไม่สนใจนะไม่ได้เราเลิกถึงความจริงข้อนี้ ล้วก็เลยบ่นโวยวายยังไม่ได้โน้ยังไม่ได้อย่างนี้นะสติมันถ้าไม้เราได้คิดทําไม้เกิดปัญญาขึ้นมาพอเจออะไรได้ร้ายเนี่ยนะเราก็กลับมองว่าดีในสายพุธ ก, การมีพระรูปหนึ่งชื่อพระปุณณนะันหนึ่งก็จะมาลาพพุทธเจ้าเนี่ย ขอกลับไปเมืองสุนทรพันตะผู้เจ้าก็ท้วงว่าคนสุนทรพันตานี่ดุร้ายถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรเนะพราะปุ้นก็ตอบว่าถ้าเขาด่าว่าก็ยังดีนะที่เขาไม่ทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีท่านท่านจะคิดอย่างไรเพราะปุ้นก็ตอบว่าเขาทุบตีก็ดีกว่าดีที่เขาไม่เอา ก, ก้อนหินมาคว้าง แล้วถ้าเขาเห็นมักคว้างท่านจะคิดอย่างไรเพราะเขห็นมักคว้าก็ดีที่เขาไม่เอาไม้มาฟาดคุณเจ้าถามตอบไปว่าแล้วถ้าเขาเอาไม้มาฟาดเนี่ยท่านจะคิดอย่างไรเพราะคุณเจาก็ตอบว่าข้อไม้มาฟาดก็ดีที่เขาไม่เอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าเขาอของแหลมมาแทงท่านจะคิดอย่างไรเอาของแหลมมาแทงก็ดีที่เขาไม่ฆ่าให้ตายนะผู้เจ้าก็เลย ถามคำถามสุดท้ายว่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่าให้ตายท่านจะคิดอย่างไรเขาฆ่าให้ตายก็ดีเพราะคนบางคนเนี่ยอยากจะตายก็ต้องไปหามีดหรือไม่ต้องไปจ้างคนมาฆ่านะถ้าเป็นอย่างที่พู้เจ้าว่าก็ดีเหมือนกันนะก็คือไม่เหนื่อยนะไม่ต้องเป็นที่ลนหาของหามีดมาคือพระกุณทรมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านเนี่ยก็ดีทั้งนั้นเป็นโชคพู้เจ้าก็เลยอนุโมทนานะ แล้วก็เลยอนุญาตให้ท่านไปมืสุนาปันตะสุดท้ายเนี่ยพระปุณาก็สามารถที่จะชักชวนคนสุนาปันตะให้มานับถือมาสมาทานพระตนาไตรผลพระปุณณาที่หลังตอนหลังก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ในที่วจะตัสว่าเนี่ยผู้มีสติย่อมโชคดีทุกเมื่อเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้แหละนะคือแม้ถูกทำร้ายนะก็ยังถือว่าโชคดี ซึ่งก็ตรงกับที่หญิงสาวคนที่ตรมาเล่าเนี่ยประสบเหตุปางตายนะแกก็ยังสามารถจะมองเห็นโชคต่างๆได้มากมายเนี่สิบกว่าอย่างอันนี้คือโชคที่เราควรจะสนใจคือโชคที่เกิดจากตัวเราเกิดจากมุมมองของเราแล่ถ้าถ้าเราวางใจแบบนี้ได้เนี่ยนะเจออะไรอะไรก็กลายเป็นโชคได้นะกลายเป็นของดีเปหมด สมัยที่หลวงปู่คานารโยยังมีชีวิตยอยู่ที่ทํากองเพลเนมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสาแม่ชีสานี่ก็อายุมากนะแต่ว่าก็ปริบัติพระดีแล้วก็ใฝ่ใจในการปฏิบัติจนหลวงปู่ขาวก็ชมวราหนึ่งหลวงปู่ขาวเนี่ยสั่งให้พาสองรูกเป็นลูกศิษย์เนี่ยไปด่าแม่ชีสา ทั้งสองลูป ก, ก็ทําตามนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะถึงไปดา่าถึงให้ไปด่าแม่ชีสาทั้งสองูปไปถึงกุฏิแม่ชีสาแล้วก็สรรหาคํตาต่างๆมาดุดด่าแม่ชีสาที่แรกก็งงนะแต่ว่าก็ตั้งสติได้ก็พนมมือฟังอย่างอย่างสงบทั้งสองท่านเนี่ยดา่ดาดา่าด่าจงเรียกด่าเลยแล้วก็เลยจุดดา่าแม่ฉีสา แทนที่จะโกรธหรือน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมเราทําดีกับพระเราไม่เคยบิดเพ้ยนทำไมครูบาอาจารย์ถึงมาว่าเราอย่างนั้นทําไมเราทําดีไม่ได้ดีทําไมถ้าเกิดคนหนึ่งก็รู้ว่าเราถูกรูบาอาจารย์ดา่าจอนหน้าไปสุขวิชินไหนไม่ศีสานไม่มีความคิดแบบนี้เลยแต่กลับพูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านอาจารย์ ดูด่าเสร็จแล้วเหล ER. ือดิฉันฟังแล้วซาบซึ้งใจเหลือเกินเสียงด่านี่เป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยคราวหน้านี่มนมาด่าใหม่นะะมันกินเหลมไม่ได้หมดไปสักนทะีเสียงด่ากันเป็นเสียงธรรมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเนงะินหลายคนพอถูกดา่าโอ้โหโกโรธโมโหรู้สึกว่าสวยแล้ววันนี้เคราะห์ลงแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าตั้งสติได้ยังไม่ชี้สาแล้วก็มีปัญญานะมันก็กลายเป็นของดีนะคำดาวก็กลายเป็นเสียงดาวก็เป็นเสียงธรรมได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราอยากเจอโชคเนี่ยนะก็ไม่ต้องรอการโดนบรรดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ <c oughs> ไม่ต้องรอให้ให้โชคมาหานะเพราะที่จริงมาอยู่แล้วนะ มันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าเดินธรรมยตานี่ก็ให้เราลึกแบบนี้ไว้ด้วยเสมอว่าความสุขก็ดีโชก็ดีเนี่ยมันผ่านเข้ามาหาเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะทุกอย่างเนี่ยโดยแล้วแต่มีประโยชน์เป็นของดีถ้าเรารู้จักมองมันผ่านมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้อย่าง น, น้อยๆนะ เช่นความเหนื่อยความเมื่อยความลา้าความยากลำบากเนี่ยมองให้ดีมันก็เป็นโชคนะดีที่ไม่เจอหนักกว่านี้ เ, เป็นต้นนะอย่างพระบุญนะอย่างวันนี้นี่โชคมากเลยเนะสิบเอ็ดกิโลาะนั่นนะถ้าเรารู้จักมองนะแม้แต่ขยะเนี่ยก็สามารถจะแปลเป็นเงินได้อย่างสมไทยเนี่ยนะแกก็รวยจากขยะ ถ้าเรามองเป็นเนี่ยนะไอ้ครอะกลายเป็นโชคได้ความยากลำ บ, บกากกลายเป็นของดีที่ทําให้เรากล้าแข่งขึ้นเสียงด่านะก็เป็นของดีที่ทําให้เป็นเครื่องขูดกินเละ น, นะให้มันเจือจางลงลดความยึดมั่นหรือลดละดับตาตัวตนให้รู้จักโชคในความหมายนี้บ้างในแงนน่นีบ้างนะแล้วเราก็จะอ่าเป็นคนโชคดีอยู่ทุกเมื่อนะโดยเพราะเมื่อเรามีสติ จำพระพุทธนิสัเอาไว้ให้ดีนะผู้มีสติย่อมโชคดีทุกเมือ่อนะอย่าไปรอหาโชคนะจากการบนบานสายการหรือจากการไปจาริกไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะโดยที่ไม่ได้คิดที่จะตั้งสติให้เกิดขึ้นกับใจหรือการทำความเพียรนะถ้าเราอยากจะมีโชคดีทุกเมื่อเนี่ยต้องนะ มาแก้มาจัดการที่ตัวเรามาปรับปรุงที่มุมมองของเรามาปรับปรุงที่ใจของเราให้มีสติให้มีปัญญามากขึ้นรวมทั้งความเพียรด้วยช้านี้ก็ยุติเท่านี้นะเอากลับภาพร้องกัน